แต่ต้องจับแกนวิสาสนามตัวว่าเหมือนของเรีออยนอย่างไรด้วยครับอย่างแท้จริงด้วยครับสมดังที่พิาจารณาตรัสว่าเ อ, เอกังหิสัจจังนะทุติย ม, มัติสัจจะมีเพียงอันเดียวเท่านั้นสัจจะสองสัจจะไม่มีเนี่ยถ้าว่ามีสัจจะของชาวคริสด้วยสัจจะของชาวพุทธด้วยสงสัยว่าทั้งคู่จะไ ม, ไม่จริงทั้งคู่ซะแล้วครับ ในฐานะที่พระเจ้าท่านกรัสว่าพรทาวคจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามนะสิ่งสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วนะครับท่านยืนยันวนะ่าไม่เกี่ยวกับท่านนั้นสัจจะของธรรมชาติต้องเป็นอันเดียวนะไม่ว่าไม่ว่าจะในรูปของอิทัพปฏิยตาหรือสัจธรรมหรือพระองค์พระพู้เป็นเจ้าหรืออะไรอยก็สุดแท้นนะฮะเราไม่ควรตั้งแง่ว่าคุณพูดเ่พระเจ้าไม่เข้าเรื่องไมเใาแถวพระผู้สร้างมีที่ไหนท่านอาจารย์ไม่เคยทําอย่างนั้นนะ งานหมดนี้ยังรอเวลาผู้ที่สืบสารนะครับเพ่งจะเป็นอุปการะคุณมากทิเดียครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมีพวกบาทหลวงจำนวนหนึ่งใส่ใจงานท่านมากโดยบรรยากาศรวมของโลกนะฮะชาวคริสไม่ไม่ใช่น้อยที่หันมาเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนานำวิธีการที่พิเจ้าสอนอาณาปานะที่พี่สอนเราจะากลัวนะครับว่าเขาขโมยของเรายิ่งขโ ย, ยิ่งดีครับช่วยมนุษย์ เข้าถึงความจริงอันเดียวกันช่วยเขาคนทุกยิ่งดีใหญ่เลยแม้แต่การเขายืมโมหานจากพระไตรปิฎกไปแปลผ ม, ม, มลยิ่งหวงดีใหญ่เลยครับจึง่งมีนัฤฤากวิจารณ์ของพุทธลังเกียจและโกรธแค้นกันมากว่ายืนศัพท์ของพุทธคําว่าราคะโทสะไปใช้ทําไมในกามีนั้นเราจะหวงไม่ทำไมครับของดีก็ต้องแจกจาก่ายงานบทที่สามนะครับคือการต้านวัตถุนิยมนี่ฮะ อาจานิ่ง น, นรงมากครับแต่ในช่วงนั้นท่านเลือกใช้คําว่าวัตถุนิยมต่างในความหมายคําว่าวัตถุนิยามครับวัตถุนิยามของมาร์กส์ครับแต่สมัยโน้นคําว่าบริโภคนิยมยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับรู้กันเดี๋ยวนี้วัตถุนิยมของท่านอาจารย์นั้นผมตีความมาเองว่าคือบริโภคนิยมนั่นเองครับแต่สมัยโน้ตคำบริโภคนิยมยังไม่เข้าสู่คลองของความรับรู้ของคนไทยทการมุ่งแสวงหาวัตถุไม่รู้จักพอ กินลงไปงไ ป, ไปอิ่มไม่ต้องคิดเรารู้จักอิ่มใช้วัสดุวัตถุสิ้นเปลืองได้รับความพึงใจน้อยนิดซึ่งเป็นสิ่งส่วนทางกับหนทางของบุคชนของเราครั้งอดีที่ฉลาดในการใช้วัสดุแต่น้อยนิดแต่ได้รับความพึงใจสู ง, งนะฮะผงนึกออกนะครับด้ามปริดด้ามขวาเนี่ยเขาแกะสวยงามเพื่อผลนด้านจิตใจเขาล้างผานทรัพยากรน้อยแต่ได้รับ ความสุขทางใจสูงในขณะที่บรรยากาศทั่วไปของประเทศเราเดี๋ยวนี้เราล้างผลาญมากแล้วซื้อนี้จะหยุดทางสับสินค้าได้กลายเป็นโบสของเราครับเสาที่คนออกันพันหนึ่งยแต่ได้รับความพอใจน้อยนิดงานสามด้านนี้เลยครับผมคิดว่ายังรองเวลาอยู่สิ่งที่ผู้ถามถามเมื่อกี้ที่ว่าท่าน อธิบายการสู่วิชาการต่างๆนั่นเองคือฐานที่จะงอกงามขึ้นสู่ <c oughs> ขึ้นคู่ดอกผลในวันหน้าครับที่ทำให้เราเข้าใจในทีนี้ว่าเราต้องเกี่ยวข้องวัตถุอย่างไรอย่างชานสลาดและอย่างอนุรักษ์และก็อย่างที่ทำให้ภูมิปัญญาของมนุษย์คุยพุ่งขึ้นไม่จะทำให้ชื่อขึ้นส่วนคลิปพุทธนั้น หรือศาสนาอื่นมุสลิมนั้นผมคิดว่ามันเป็ น, นิมิต ท, ที่ดีมากเนื่องจากช่วงนี้เรามีบรรยากาศที่ค่อนข้างถึงเครียดในเรื่องการผ่าโรงเรียนนะครับผมจะโยงนิดเห็นก็พูดทางทีวีแล้วอยากพูดบ้างครับเพราะผมเกิดในหมู่บ้านมุสลิมแล้วผมรู้มุสลิมเป็นศาสนิก ท, ที่ที่เป็นคู่ดีที่สุดแต่บรรยากาศทั้งหมดนะครับทําให้เรามองมุสลิมนี่เลวไร้ทั้งสิ้นเลยผมเคยใช้ชีวิตร่วมกับชาวมุสลิมนะมีญาติพี่น้องเปมุสลิมเยอะทีเดียวอ่า ครั้งอดีเมื่อสามทศวรรษสี่ทศวรรษที่แล้วนะครับพุดกับคริสพุทธกับมุสลิมเนี่ยต้มเครือนจนที่สุดเลยครับหัวหน้ามุสลิมวหน้าสุลล่านั้นนะครับชาวมุสลิมเน้นสันทัดในการจับปลาออกทะเลเขาไม่มีศีลข้อปานาเหมือนของพุทธชาวพุทธถนัดสูกข้าวแล้วสุลล่าวกบดก็เพิ่มันอยู่ชาวมุสลิมหาปลาแล้วเอาไปถวายวัดผมเห็นกตาเลยครับ แกเงินวอวันพระแล้วไถวายแล้วไปนั่งปนมมือด้วยตอนผมไปนับวดอยู่ชาวมุสลิมมา น, นั่งฟังเทศครับเรื่องหน้าเศร้าสลดในยุคอัศวินพยองในบ้านเมืองเราครับที่เาราเผาปอเนาะของชาวมุสลิมเนี่ยไปเมื่อไม่กี่โลเพื่จะคมทีให้ให้สยบแต่เราไปสร้างพุทธรูปองค์โมหีมาที่เขากรงในหมู่บ้านมุสลิมครับเราไม่แยแสคนมุสลิเราไม่แยแสศา ส, น, สานาอื่น ในสุดวิกฤตการ์เาวรเรื่องโจรแม่งแยกแยกันก็ติดตามมามั่นเป็นผลนพวงรัฐบาลครับผลพวงาการทําผิดของผู้ที่อหลงอํานาจรัฐในช่วงนั้นก่อนจานั้นนี่เอครับชาวมุส่ิมเราพูดในดีมันจะตายโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาครับ เ, เขาบวชเป็นพระให้แม่แล้วเขาเ้าศึกไปแล้วเขา้าทุเหล่าให้พ่อคือเขา้าเข้าใจทั้งทุกทุกมุสลคมเลย เปนกรดุลามันนีครสร้างวัดที่กลันตันวัดหนึ่งที่แน่เพราะมารดาของตนกรุ๊ดุลามานันประธานมุสลิมโลกนั้นนะอดีตเนะ่ยมันตายแล้วใช่ไหมฮะแม่ก็เป็นพุทธพ่อก็เป็นมุสลิมวิกฤตการณ์ทางใต้นี่เกิดจากการหลงออหองนาศในช่วงอับสุวินพ่องครับผมยืนยันได้เพราะตอนนั้นผมผมอยู่ทันประชุมแล้วจําได้ว่ามีการทวงทะเลฮีสุหลงเพื่อบังคับไปยอมรับว่าเป็นกบฏ ฆ่าเขาด้วยไม้คำคลองในน้ําเพื่ อ, อตาเพื่อขู่ให้ชา ว, ชวมุสลมเกลียดตกกลัวครับแต่ผลที่สุดไม่ได้ผลเกิดผลร้ายทั้งสิ่งครับผมออกนอกเรื่องไป ห, หน่อยนะฮะอยากจะพูดบ้างครับเซนครับคุณเป็นห้องครับพูดเกี่ยวเรื่องศูนย์มุตตาแนะ่ครับคือเรื่องนี้ว่า อาจารย์ของเราก็เหนื่อยมากนะก็เห็นเป็นห่วงอย่างเดียวคืว่าไอ้คลนลกหลังนี่มันจะต้องใหญ่ขึ้นมากแ้ไม่มองมองดูให้ดูไอ้นลกหลัง่จะมันจะใหญ่หรืออาจจะไม่มีคลืนเลยอาจารย์จะมองเหนในวิธีการท้เผแพแล้วก็จะมีคนที่จะสบต่อ เมื่อทำมาของท่านกจะเล่นไปแค่ไหนอือครับเอ่ออาจารย์เป็นห่วงใจรู้กปล่ครับเป็นคําถามที่แสดงความเอื้ออะถอนนะครับเน่อ แ, แสดงคุณเป็นผู้เองนั้นอยากให้ออนุชนรุ่นหลังได้รับทราบข่าวสารแล้วได้ได้มีประโยชน์คงไม่หวังเพียงในประกาศกิจติคุณ ท, ท่านอาจารย์เองหรือชื่อเสียงส่วนโมกกิจตคุณชื่อเสียงนั้นก็จบแล้วครับ หรือท่านท่านก็ได้รับแล้วแล้วก็ท่านก็เป็นท่านนะครับความมุ่งใยนี้เองที่เป็นเหตุให้ถามขึ้นแล้วก็น่าไข้ ค, ควรวญกั น, นครับผมจะตั้งข้อสังเกตขึ้นก่อนนะครับว่าแนวคาสอนท่านอาจารย์นั้นประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ประสบความสเร็จในอีกลักษณะหนึ่ง ประสบครา้งเร็จในเขตหนึ่งภูมิภาคหนึ่งของโลกแต่อาจจะไม่แพร่หลายไปสู่อีกภูมิภาคหนึ่งเผลนั้นเรามาพิจารณากันดูนะครับว่าทั้งตอนตกนะครับพระพุทธศาสนาเคยแพร่เข้าไปอย่างในเยอรม น, นีเมื่อ0 0อปีที่แล้วทำให้เกิดนักปราชญซึ่งได้ความรู้จากพระยานของพระเจ้านำไปประดิษฐ์คิดค้นต่อ จงมีชื่อมีเสียงไม่ว่าเป็นคนนั้นคนนี้หลายคนเดียนะครับโดยเฉพาะที่มหาลัยไฮเดนเบิร์กนะครับนักปรัชญาที่ลึกล้ำเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลคำสอนของพระเจ้าไม่ว่าเป็นแบกซองก็ดีคันก็ดีอันนี้เข้อเสารภาพไปด้วยนะดังนั้นคําอธิบายพุทธธรรมนั้นเป็นบรรยากาศรองรับอยู่โดยเฉพาะในเยอรมันเท่าที่ประสบการณ์ในต่างประเทศมมีนะั้นงานของท่านอาจารย์ประสบความสำเร็จไม่มากในต่างประเทศ เนื่องจากตางประเทศนั้นเขาต้องการปรัชญาต้องการอธิบายคุณค่าส่วนที่ท่านอาจารย์ท่านพูดอยู่นี้ซึ่งท่านเองก็ติงเสมอนะครับใครไปอธิบายเป็นให้เป็นปรัชญาไปท่านบอกมไม่ใช่คำพะไอ้นั่นเปนเรื่องคิดๆกันเท่านั้นเองบางทีนักปรัชญาบางคนลงไปคุยกับท่านท่านถามว่าเมื่อไหร่คุณจะปฏิบัติปรัชญาคุณที่ดีจะนั่งคิดนอนคิดปรัชญาอย่างนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่ง เป็นเพียงข้อสังเกตเขาอาจจะทลาดได้ครับที่ผมเอ่ยถึงความไม่สําเร็จบางด้านของท่านนะครับที่คุณเปงง้เป็นห่วงนั่นเองคือทายาทแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรคิดถึงทายาทสายตรงมากมายนะคแล้วทายาทสายตรงหมายถึงผู้ที่เติบโตภายใต้อ้อมอกของท่านนะฮะแล้วเราไม่ควรหวังที่ให้คนคนนั้นมาแทนท่านด้วยครับ ถ้คนมนั้นเกิดแทนท่านได้ผมว่าเกิดสับสนยืนหนินครับผมคิดว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ท่านหวานไว้นั้นสำคัญในช่วงของตัวอุสตสาหะมันมีบางช่วงเท่านั้นนะครับที่มีการสืบทอดที่รับลูกกันอย่างเหมาะสมนะฮะอย่งสมัยพุทธกาลนะครับหลังพระเจ้าร่วงรับแล้วอาศัยความทรงจํามันดีเลิศของพระอาหนุ์ องนะค์เชื่อพระนอนมีบัตรสูงมากในพุาสนาเนะี่ยมีอุปการะคุณมโหรารเลยครับปราศจากพระนอนแล้วมพระวจนะทั้งหมดอาจจะสาบสูญได้ครับต่อจนั้นธรรมะสัตว์ที่เาปรคก็ดีหรืออชาติแม่ชาติสตูเองก็ดีนะที่ให้อุปถัมภ์การสังคายนาเหล่านั้นแล้วด้วยกรรมวิธีเฉลฉลาดเฉลียฉลาดที่เรียกวุคปาทะท่องปากเปล่าถ่ายทอดมาจนถึงมือของเราในทุกวันนี้นะครเอ่อนะนะ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 เรากรงล้อของสังคมจะทําให้เกิดการหมุนผิดจังหวะระเบียดเสียดกันเองไม่เชื่อลงจับตั้งองค์กรของพุทธทาสขึ้นเราจะพบอาสวะเกิดขึ้นทันทีอาสวะอันนี้เรื่องจากการรวมกลุ่มมาเนี่ผมเชื่อความรับผิดชอบของเราน่าจะอยู่ลึกๆในตัวเราเองเพราะว่าเรารู้จักท่านเพียงใดเราก็จะรับผิดชอบได้เพียงนั้นเหมือนว่าพ่อแม่จะสอนในลูก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 จนกว่ากระแสะความคิดของเรารู้สึกรู้สึกคืนมาได้ว่าเป็นกระแสะเดียวกับธรรมชาติแล้วเราพบว่าสักขีของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงสำนักแต่อยู่ในธรรมชาติแท้ในตัวเรานี่เองมาพูดถึงธรรมชาติแท้นะครับผมเองชอบคำนี้มากกว่ามากกว่าคำว่าจิตว่างที่จริงสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นครับเมื่อจิตว่างจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะได้เห็นธรรมชาติแท้ได้เอง ไม่เป็นตังองเราดวงตาของอาจารย์มาส่องถ้าดวงตาของท่านมาส่องนะึ่งท่านจะบังเราทันทีรครับเหมือนเวลเราไปที่เขาตะเกียบหรือเขาสำรยอดนะฮะเราเป็นคนใหม่แล้วไปหาคนในท้องถิ่นหมอชื่อนําทางผมไปดูช่วงพระอาทิตย์ขึ้นผมจะดูให้เต็มตาทีนี่ถ้าคนนําทางลองเปนค น, นไม่เข้าใจเลยครับพอพระอาทิตย์จะมาเงินลำลายลึกขึ้กกนยืนหน้าแล้วอธิบายความามของแสงอาทิตย์นี่เขาก็บังเรหมดสิ้นเลยถูกไหยครับ ผู้นำทางที่ดีนั้นจะเตือนเราว่าคุณนั่งตรงนี้นะมุมนี้ก็มุมกว้างที่สุดคุณอย่า ง, ง่วงอย่าหลับอย่าเผลอแล้วอะไรจะเป็นคุณจะเห็นมันไปตามคุณเองถูกไหมครับนั่นคือผู้นำทางที่ดีครับผมคิดว่าท่านอาจารย์ผู้นำทางที่ดีครับเราไม่ควนเโวหารนั่นมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซำ้วซำอีกผม <laughs> ผมผมเคยเคยสงสัย น, นิดหน่อยบอกว่าทำไมช่วงท้ายท่านอาจารย์พูดซ้ำๆว่าอย่าเห็นจิตตัวอย่าเห็นจิตตัวอยากเห็นจิตัว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 หรือป้ายหรือแผนผังอะไรที่จริว่าเราควรจะทําอย่างไรกับตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองกรจากแจ้งเองแล้วเราก็จะเห็นลู่ทางเองที่จะทำต่อเพื่อนโลโลกเพื่อนมนุษย์ผมสรุปว่าเราไม่ควรที่ตกกังวลการสืบทอดนะฮะเมื่อเกษรหว่านปลอยไปทั่วสารทิศแล้วมันจะเติบโตเองถ้าว่าในนั้นมีเมล็ดพันธุ์อยู่ อาจารย์ครับผมก็จาความคิดเห็นน่นเองเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ารได้เห็นทนทีท่ติดท่ติเองไม่ต้องกังวลถึงงานที่สื่อารกัท่านนะครับเพราะพอจกระบนการแล้วเนี่ยผมได้เห็นวลากับพระภิกษุที่ใกล้ชิดเห็นโลก็ในสิบคนจะมีความไม่เหมือนกันและเจ็ในสิบคนนั้นเองไม่ชื่ออาจารย์เยท่านการติดความไม่เหมือนกั่า นะครับเพราะงานงานนี้ผมงนั่งเรีนหน่อยอากให่ตั้งใจ้าเพื่แบกขึ้นนะครับการที่ผมทานั้นเราทำเพืศึกษาด้วยตนเองที่ราเรนก็ดีเคต่งเรื่องที่มากรดีหรื้การที่ที่ไม่ไดนตจเราก็ดีหรือแม้แต่ที่อาจารย์อาจารย์หล่านรัก็เราก็ต้องศึกษาเป็นทางทางเป็นสื่ความเข้าใจตัวเราด้วยด้วยความเข้าใจในิตของเราถึงันนะับไม่ได้อยู่ที่อาจารย์นะครับความเข้าใจเป็นเอง เ็นเที่สำคัญกว่าที่จะเข้าใจสิง่งหน่งนะครับก็คือครับครับที่จริงมถามนะเป็นความเห็นซ่งผมก็เห็นด้วยแต่ผมเพิ่มเติมนิดนึงนครับครูบาอาจารย์นี่ก็สําคัญมากครับเอ่อนับตั้งแต่ดีการนานไกลนะครับที่ว่า ส, สิ่งแรกในการแสวงหาทางจิตวิญญาณ น, นั้นต้องแสวงหาครูพบครูแล้วก็เรียนแต่ว่าการพบครูนั้นไม่อาจจะหมายถึงความหลงผิดก็ได้นะ กครูเราเข้ใาใจอะไรปิดปิดอยู่แต่ถ้าว่าครูเราก็้าใถูกนั่นนับว่ามันโชคลาภแล้วครับเหมือนคนครั้งพุทธกาลเนี่ยเดินสัตว์เพฟเนจรมาไปเจอพุทธเจ้าเข้าบางคนโชคดีบางคนโชคายย้าภนีเงนินนะพุทธเจ้าเองถูกปฏิเสธก็มีครูก็มีบทบาทเสมอครับที่พูดกันว่าเราจะไปที่จุดหนึ่งจุดใดนนะั้นไม่จำเป็นต้องทางเดียวคดีนี้ครับเราไปได้หลายทางแต่ผมจะมจะแสดง ม, มตินะครับว่า แท็กซี่ที่ฉลาดที่สุดนะคแล้วกระดุณาที่สุดก็จะพาเร า, าในทางตรงที่สุดสั้นที่สุดเก็บตังค์น้อยที่สุดด้วยครับทมกเมืองินก็ไปหลายทางเนี่ยแต่บางทีมันไปหลงทางได้นกัในทั้นกลางนั่นเองครูยุนีบ้บาบาทไม่เพียงแต่สะพ้อนผมเข้าใจวครูเหมือนกระจกนะเรายิ่งอยู่ใกล้ครูเท่าไรแทนที่เราจะรู้จักครูเราจะรู้จักหน้าตามเรามากขึ้นเหมือนสองกระจก เนื่องจากเรามีปกติที่หลงง่ายครับในเส้นทางการภาวนาเนี่ยจะเต็มไปด้วยหลงพลางแล้วทางแยกที่ทําให้เราลงลงหลงโบ่นเช่นปิธีก็ดีสุขก็ดีหรือแม้แต่ญาณครับเกิดขึ้นแล้วชวนหลง ม, มากๆครับและคนเคยผ่านการฝึกจิตภาวนาแล้วจะรู้ว่าไม่ง่ายเลยเท่าที่มีลูกพี่หรือครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ล่วงหน้านะฮะผมเห็นด้วยนะครับว่าปฏิบัติธรรมานี่ต้องทําเอง ดังที่พระเจ้าบอกว่าปราคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่ว่าผู้ชี้ทางเนี่ยสำคัญนะเหมือนกับว่าคนดีดังเราบอกว่าไปหยิบเข็มให้พ่อสิน้นนอยู่ในบ้านนั่นแหละโอ้โหเหนื่อ ย, ยนะเนีไม่รู้จะไปไหนก็ต้องบอกอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งงานชิดนนึงอย่างเงี้ ย, ยนะฮะถ้าความจำท่านแน่นท่านไม่หลงหลยนะงานเราจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับการสร้างความผูกพันกับอาจารย์นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ ภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้ผมอาจจะติดสลักบ้า ง, งนะครับเรื่อง Good Old Day ครับคือได้ิถึงเาคิถึงครูที่เรารักใ น, นชื่นเชื่อดีนะผมว่าเนี่ยดีกว่าไม่มีครับ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าเองท่านจับจูงแ้วนะครับท่านใ้าต้องจับูหใครดีและท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์เนี่ยต้องเคารพอะไรสักอย่างหนึ่งการอยู่โดยมีหลักเม่มีเคารพนี่มัน ว, าว้าเหวเกินไปถึงเนะีย ท่นเลได้ก็เคารพทำครับแล้วก็ท่านเองก็พุทตนเป็นกอเยัลยาณมิตรของพระกิตติลูกเอง ก, การมีครูเป็นสิ่งที่ดีเป็นรสชาติที่พิเศษมากครับวันหนึ่งเราจะแต่เท่าเมื่เราได้ระลึกถึงครูผู้เท่าของเรานั้นมันเหมือนกะเบิดระทีปหลังนั้นเสมอเมื่ถูกถ่ายทอดถ้าครูเรามีแววเมตตากรุณาเราแม้ว่าตัวเราก็คือตัวเราเนยเราจะได้รับแนวโน้มเอียงที่ดี นมนุษเรานั้นไม่เพียงมีศัพจธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่เป็นสัพจของธรรมชาติเนะัเรามีสิ่งสมมุติ ม, มีแนวโน้มเองซึ่งคุณลักษณะผมใช้ภาษาหลังนะที่สามารถเป็นประโยชน์แก่มนุชนได้ด้วยเช่นทิสัยเอื้อเฟื้ออื้ออารีนะเมื่อเราพบครูที่ดีเข้าเราก็จะมีมันด้วยเรามีหุ้นส่วนด้วยครับผมเชื่อประสงค์อิทธิบทของพระสงฆ์ทั่วโลกนีได้นะเข้าเรื่องจากอิทธิบทของพระพุทธองค์มา ได้รับ A A A. แนวโน้มเองนี้มาแม้บางค น, นจะโฉงฉางบ้างแต่โดยทั่วไปแเราพบว่าพระสงฆ์มิตรใดีครับเป็นเฮนรี่เป็นมิตรกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยด้วยครับลุนครูสําคัญมากครับพ่อแม่สําคัญมากแต่ว่าในเรูอปอรัมมัชธรรมแล้วจะให้คนเหล่านี้มายืนบังข้างหน้าไม่ได้ครับก็เลยมีคําพูดพุ่งผมค่อนข้างช็อกได้ยินทั้งแรกแต่ว่ารู้สึกดีมากครับเซนมีคํำกล่าวของเซนพูดว่า ถ้าเจอพระเจ้าข่าท่านเสียไม่นั้นเดี๋ยวท่านสอนธรรมะให้แล้วจะไม่รู้ธรรมะเอาไงกลารู้ธรรมะของพระเจ้าขึ้นฟังดูแล้วเหมือนถูกกระชากหนังหัวมาบริจแล้วฆ่จาคือตวเองก็เป็นจาคใ้ตัวเองเป็นบริจาคเข้าใกล้กันเลยนะแต่เรต้องครูนี่ถ้าเข้าถึงธรรมไม่ต้องฆ่าครู แต่เครื่งหลังเข้าถึงทำแล้วเนี่ยต้องขอร <c oughs> ับูกชีวิตกันเป็นครูวั <c oughs> นเดียวเป็นครูวันเดียวเป็นบิดาช่วยชีวิตคนจีนถือเนี่ยแต่เราจะเห็นด้วยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับค่พระพุทธเจา้าไปเจ้าค่พระพุทธเจ้ารู้ว่าสิ่ง่งเป็นพระพุทธเจ้าอัน่าไปแ ล, แล้วเราเป็นพระพุทธเจา <c oughs> ้าธามนาตัวเองเปมปนเจ้าแทน <laughs> ที่จริงคําพูดประโยคนี้นั้นเขาต้องการจะเน้นเซนต้องการจะเน้นว่าคําสอนที่ผ่านภาษาเป็นสื่อสมมตินี้เป็นบุศก์ทั้งสิน้นครับเหมือนที่เรารู้ว่าพระนิพพานเป็นอวญากตะเป็นอัพยากรเป็น Unspeakable พูดไม่ได้สอนไม่ได้เป็นน้นถ้าพอที่ยินได้ฟังแล้วสติอ่อนจะเชื่อตามถ้อยคําแล้วก็หลงพลาดคําพูดที่ให้ข่าพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้พระเจ้ า, เ, า, เ, าเองพูดว่า พร้อมเอ่ยยังกลับไปข้าพ่อข้าแม่ซะด้วยมัน <c oughs> เป็นรหัสลัทธิครับที่ว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่อาจาเข้าถึงได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีอะไรมัน ย, ยืนขวางทางเราอยู่บางครั้งพระเจ้ากนบอกว่าพ่อเป็นศัตรูแม่เป็นภรีของบุตพวพ่ออยากขึ้ไปทางนี้ทั้งลูกเกิดจากปฏิบัติธรรมพ่อไม่ยอมแม่ไม่ยอมเอาแล้วเป็นศัตรูกันแล้วครับเราต้องพี่าาแยกส่วนแล้วพึงทําความเข้าใจให้แยบยนต์นะไม่ใช่ถือเอา ตามถ้อยคำที่ที่ก็อันตรายขึ้นนะครับคิดว่าเวลาหมดแล้วครับขอขอบพระคุณมากที่อยู่จ่าฟับ